สิบคาบทวิพังหนึ่งพาว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีถ้าผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงเรามาทุกครำที่อุปสมบทแล้วคําว่าสองรูปใช้ภ้าพื้นเดียวเป็นทั้งภ้าผู้นอนและพระห่มนอนร่วมกันหรือทั้งสองรูปผ้พาพืน